ช่วงนี้ก็เป็นกติณการคือระยะเวลาตั้งแต่วันแรม1หนึ่งค่ำเดือนสิบเอ็ดถึงวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบสองเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนที่พระบรมศ า, าสดาพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประเสริฐของพวกเราได้ทรง กำหนดให้เป็นเวลาถวายผ้ากรถินผ้าก็ผ้ากรถินก็คือผ้าที่เอามาใช้ตัดเย็บเป็นจีวรผืนได้ผืนหนึ่งในสามผืนพระพระนี้ท่านจะมีผ้าใช้อยู่สามผืนเรียกว่าผ้าไตรจีวรมีผ้านุ่งหนึ่งผืนเราเรียกภาษาไทยว่าจีวรเอสบง มีผ้าห่มหนึ่งผืนเรียกว่าจีวรและผ้าห่มกันหนาวหนาสองชั้นอีกหนึ่งผืนเรียกว่าผ้าสังคาติอันนี้เป็นหนึ่งสำหรับเป็นหนึ่งตายจีวรที่พระภิกษุมีไว้คอบครองเป็นสมบัติของตนแต่หลังจากที่ใช้ไปอยู่เรื่อย ผ้าก็ต้องมีอาการชำรุดทรุดโทรมมีการขาดมีการหมดสภาพไปได้จึงจำเป็นจะต้องมีการหาผ้าใหม่สมัยก่อนที่มีการถวายผ้ากระถินพระก็ต้องหาผ้าที่ทิ้งไว้ตามสถานที่ต่างๆเช่นทิ้งไว้ในป่าช้าเป็นผ้าหอ่อศพ หรือเป็นผ้าของคนที่ตายแล้วหรือผ้าที่ทิ้งไว้ตามกองขยะไปเก็บมาผสมเล็กผสมน้อยพอผ้าจะไม่ได้เป็นผืนใหญ่ที่จะเอามาใช้ห่มได้เลยก็เก็บมาเป็นเศษผ้าชิ้นใหญ่บ้างชิ้นเล็กชิ้นเล็กบ้างพอสะสมได้จํานวนพอกับ การมาตัดเย็บเป็นผ้าพื้นใดพื้นหนึ่งก็จะนำเอามาตัดเย็บเสร็จแล้วก็จะซักย้อมด้วยน้ำฝาดผ้าก็จะออกมาเป็นสีเหลืองที่เรียกว่าสีกาสาวพัดต่อมาก็มีพระภิกษุมาบวชกันมีผู้มีจิตศรัทธามาบวชเป็นพระภิกษุกันเป็นจำนวนมาก จึงทำให้ผ้านี้เป็นสิ่งที่หายากพระจึงไม่ค่อยมีผ้าพอเพียงต่อการใช้สอยเวลาห่มผ้าแล้วถูกแดะถูกฝนออกไปตากฝนเปียกก็ไม่มีผ้าเปลี่ยนพระพุทธเจ้าทรงเห็นความยากลำบากของพระภิกษุเกี่ยวกับเรื่องผ้าจีวร จึงได้ทรงบัญญัติมีพุท ธ, ธานุ ญ, ญาตให้สัทธา ญ, ญาติโยมถวายผ้าให้กับพระไว้ตัดเย็บเพื่อเปลี่ยนผ้าเก่าที่ชำรุดไปแล้วผ้าที่ทรงบัญญัตินี้ทรงเรียกว่าผ้ากถินมี มีมีเงื่อนไขหลายประการด้วยกันในการที่จะรับผ้ากรถินนี้ได้คือหนึ่งภ้าภิกษุนี้จะต้องอยู่จำบันสาอยู่กับที่ตลอดเวลาสามเดือนถึงจะมีสิทธิ์ที่จะรับผ้ากฐถิ น, นได้ผ้ากฐถินนี้ก็ต้องถวายภายในระยะเวลาเดือนเดียว คือตั้งแต่วันออกพรรษาคือวันแรมหนึ่งค่ำเดือนสิบอ็ดจนถึงวันขึ้นสิบห้าำเดือนสิบสองแล้วก็วัดหนึ่งก็จะรับผ้าได้เพียงครั้งเดียวพระที่จะรับก็จะต้องมีอย่างน้อยห้ารูปขึ้นไปแล้วเมื่อได้รับผ้ามาแล้วก็จะต้องทำการตัดเย็บให้เสร็จ ภายในวันนั้นหนึ่งผืนผืนใดผืนหนึ่งจะเป็นผ้าสบงก็ได้ผ้าจีวรก็ได้ผ้าสังขติก็ได้ส่วนใหญ่ก็จะตัดผ้าสบองเพราะเป็นผ้าชิ้นเล็กที่สุดง่ายที่สุดเมื่อตัดเสร็จแล้วตัดเย็บเสร็จแล้วก็ต้องนําเอามาทําพิธีการกรถินคือมา มอบให้กับพระที่สงได้อุปโลกให้เป็นผู้รับผ้ากถินนั้นเช้นตอนที่ญาติโยมถวายผ้ากถินจะมีพระภิกษุอุปโลกอยู่สามรูปด้วยกันจะมีการกล่าวถึงคุณของผู้ที่ควรจะได้รับผ้าผืนนี้สองจะมีการเสนอชื่อพระ ที่จะรับผ้ากถินแล้วสามก็จะมีผู้พระรับรองหลังจากนั้นก็มีคู่สวดสองรูปสวดตั้งยติขอฉันทานุมัติจากสงฆ์ว่าผ้ากถินที่จะได้รับมาในวันนี้จะขอตัดเย็บเป็นจีวรถวายให้กับพระ ลูกที่ได้ที่สงได้มีมีการเสนอชื่อมาก็จะมีการสวดตั้งยติอยู่สามจบถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านถ้าสงนิ่งก็ถือว่ า, ามตินี้ผ่านพอเสร็จแล้วก็จะนำผ้านี้ไปตัดเย็บทันทีเพื่อให้เสร็จ ภายในวันนั้นพอตัดเย็ยบเสร็จแล้วก็นําเอาเข้ามาในที่ชุมนุมสงอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ผู้ที่ได้รับผ้านี้อา่ากล่าวคําอนุมโมทนาแล้วสงผู้ที่ได้รับการอนุมโมทนาก็กล่าวอนุมโมทนาตอบกับการรับผ้ากถินก า, การการกถินก็ เป็นการเสร็จพิธีนี่คือเรื่องของภากถินภากถินนี้ถือว่าเป็นสังกทานอย่างหนึ่งคือเป็นการไม่ได้เป็นการถวายโดยไม่เจาะ จ, จงให้แก่ผู้ใดผู้หนึ่งถวายให้เป็นของสงฆ์แล้วให้สงฆ์เป็นผู้พิจารนาว่าพระภิกษุรูปใด ควรที่จะได้รับผ้าผืนนี้โดยธรรมเนียมก็จะให้ถวายแก่พระผู้ที่เป็นประธานสงฆ์ว่ามีคุณสมบัติที่ดีที่สุดเป็นผู้นำของสงฆ์นี่คือเรื่องของพิธีการถวายผ้ากฐถินที่มีการ กาทมานับตั้งแต่วันที่พระพุทธเจ้าได้ส่งเมพุท ธ, ธานุญาตการถวายผ้ากฐถินนี้ก็เป็นการปฏิบัติธรรมขั้นที่หนึ่งคือทานเป็นส่วนเป็นส่วนหนึ่งในสามขั้นของการปฏิบัติธรรมคือทานแล้วก็ต้องศีล ศีลแล้วก็ต้องภาวนาถึงจะสามารถบรรลุมรรคผล น, ผนิพพานสามารถดุดทนจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เหมือนกับการเรียนหนังสือจำเป็นที่จะต้องเข้าชั้นอนุบาลก่อนแล้วก็ก้าวขึ้นสู่ชั้นประถมชั้นมัธยม ฉันอุดมศึกษาตามลำดับต่อไปเพื่อที่จะได้รับปริญญาบัตรชั้นต่างๆเช่นปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก่อางนั้นผู้ที่ทำทานถวายผ้ากถินก็ดีหรือทำบุญตักบาตรก็ดี เลือถวายจะถุกปัจจัยทายทานต่างๆก็ดีขอให้รู้ขอให้คำหนึ่งว่านี่เป็นขั้นต้นของการดำเนินตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่าเข้าใจผิดคิดว่าเป็นขั้นสุดท้ายของการปฏิบัติ แล้วจะไม่ก้าวหน้าเพราะจะคิดว่าทำทานแล้วก็ได้บุญมากโดยเฉพาะที่มีคำกล่าวว่าการถวายผ้ากรถินนี้ได้บุญมากกว่าการทำทานอย่างอื่นซึ่งความจริงก็มีบุญมากโดยเฉพาะในช่วงสมัยพระอุทตการเพราะช่วงนั้น มีการขาดแคลนเรื่องผ้ามากพระภิกษุจะอยู่เป็นพระได้ส่วนหนึ่งก็ต้องมีผ้าจีวรไว้ไว้นุ่งหม่มถ้าไม่มีผ้าจีวรก็จะกลายเป็นฉีเปื่อยไปดังนั้นก็เป็นสิ่งที่จาเป็นและการได้ถวายสิ่งที่จำเป็นต่อสงฆ์ก็ถือว่าเป็นอนิสงส์เป็นบุญมากแต่ ไม่ไม่ได้เป็นบุญแบบสูงสุดบุญที่มากกว่านี้ในกลุ่มของทานก็ยังมีอยู่ก็คือการถวายธรรมทานการแบ่งปันธรรมะแจกจ่ายธรรมะให้แก่ผู้อื่นในกลุ่มของทานนี้การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งป่วการให้ธรรมะก็ให้ได้สองลักษณะด้วยกัน คือให้ธรรมะที่เรามีอยู่ภายในใจแก่ผู้อื่นคืออบรมสั่งสอนเผยแผ่ความรู้ที่จะนำพาไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์เช่นพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกที่ได้ส่งธรรมธรรมทานในครั้งที่ได้ประกาศพระพุทธศาสนาประกาศพระธรรมคำสอนให้แก่ พระปัญจวคีหลังจากที่ได้แสดงก็มีหนึ่งในพระปัญจวคีคือพระอัญยนกนัญญะก็ได้บรรลุอริยผลขั้นที่หนึ่งคือขั้นพระโสดาบันมีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าสิ่งใดที่มีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาเมื่อเห็นอย่างนั้นก็จะละ อุปทานความยึดมั่นถือมั่นละความอยากในสิ่งนั้นนั้นเมื่อไม่มีอุปทานไม่มีความอยากให้สิ่งนั้นอยู่กับตนไปตลอดทุกที่เกิดจากการดับของสิ่งนั้นนั้นก็จะไม่ไม่เกิดขึ้นภายในใจของผู้ที่ได้ปล่อยวางอันนี้คืออนิสอง อันยิ่งใหญ่ของการให้ธรรมทานให้ธรรมะแก่ผู้อื่นสำหรับผู้ที่ยังไม่มีธรรมะแต่อยากจะทำะทำธรรมทานก็สามารถทำได้ด้วยการนำหนังสือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือของพระอรหันตสาวกทั้งหลายที่ได้แสดงได้สอนไว้มาเผยแผ่ ผ่านสื่อต่างๆเช่นผ่านหนังสือผ่านแผ่นซีดีหรือแผ่นแผ่นวิดีโออันนี้ก็เป็นการช่วยเผยแพร่พระธรรมคาสอนให้แก่ผู้ที่ไม่ได้มีโอกาสรับรู้รับฟังเพราะบางทีไม่มีโอกาสที่จะมาวัดถ้ามีหนังสือมีแผ่นซีดีไป แจกจ่ายกันถึงที่บ้านก็จะได้รับประโยชน์แล้วถ้ามีภูมิปัญญาเหมือนกับที่พระอัญญาณโกนทัญญะมีอยู่ก็อาจจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้เลยอันนี้แหละในกลุ่มของทานการให้ธรรมะนี่เป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดยิ่งใหญ่กว่าการ ถวายเงินทองเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเพราะเงินทองนี้ไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ใจได้ไม่สามารถที่จะทําให้หลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ต้องมีธรรมะเท่านั้นคําสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะทําให้หลุดพ้นได้ ดังนั้นเวลาทำทานก็ขอให้ทำด้วยวิจารณญาณาคือให้ดูความเหมาะสมดูเหตุดูผลดูความต้องการของผู้รับว่าควรที่จะรับอะไรขาดแทนอะไรก็ควรจะให้สิ่งนั้น ควรจะให้เพื่อให้ได้เป็นการส่งเสริมในการศึกษาในการปฏิบัติพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นถ้าขาดกุเิที่อยู่อาศัยขาดที่ปฏิบัติธรรมก็ถ้ามีความสามารถที่จะถวายสถานที่เช่นซื้อที่ที่สงบสงัดวิเวก แล้วก็สร้างกุฏิที่อยู่อาศัยสร้างศาลาไวท้ที่ไว้ใช้กับภารกิจของการศึกษาและของการปฏิบัติอย่างนี้ก็จะเป็นประโยชน์เพราะศาสนานี้อยู่ตรงที่การศึกษาและการปฏิบัติอยู่ที่การ บรรลุมรคนิพพานจะบรรลุมรคนิพพานได้ก็ต้องมีการศึกษาการที่จะมีการปฏิบัติก่อนมีการศึกษาก่อนแล้วก็มีการปฏิบัติถ้าไม่มีการศึกษาปฏิบัติโดยที่ไม่รู้ทิศทางของการปฏิบัติว่าถูกหรือไม่ก็อาจจะหลงทางได้ ไม่สามารถบรรลุมรรคผลที่ผ่านได้นอกจากการาถวายสถานที่สวายถาวรและวัตถุต่างๆก็ต้องถวายเรื่องปัจจัยสี่ของพระสงฆ์คืออาหารบิณฑบาตเครื่องนุ่งห่มจีวรยารักษาโรค ที่อยู่อาศัยก็คือกุฏิวิหารต่างๆกุฏิหรือสถานที่พักของพระนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องมีราคาแพงไม่จำเป็นจะต้องหรูหราสวยงามาคุณสมบัติของกุฏิของพระก็คือขอให้หลบแดดหลบฝนได้ขอให้มีเป็นที่ห่างไกลาจาก แสงสีเสียงต่างๆเป็นที่สงบสงัดวิเวกอันนี้เป็นหลักสำคัญอาหารบินตบายก็เป็นอาหารธรรมดาที่ญาติโยมรับประทานกันไม่ต้องทำอะไรให้เป็นพิเศษวิจิตพิสดารญาติโยมรับประทานอะไรมีอะไรก็แบ่งใส่บาทไป จีวรก็อย่างที่ได้พูดไว้จะถวายในช่วงเทศกาลทอดกรถินก็ได้หรือจะถวายเป็นผ้าไม่ใช่เป็นผ้ากรถินก็เช่นเรียกว่าผ้าป่าหรือถวายเป็นทานธรรมดาก็สามารถที่ถวายได้ดังนั้นอย่าไปติดกับคําที่บอกว่าการถวาย ผ้ากถินนี่ได้บุญมากเพราะว่าการถวายผ้ากรถินก็คือการถวายผ้าตตยกีวอ น, นี้เองพื้นใดพื้นหนึ่งซึ่งเราสามารถถวายได้ทั้งปีแล้วเดี๋ยวนี้ใครมีปัญญาซื้อผ้ากีวรก็ถวายได้ที่มากจะคิดว่าเป็นบุญมากก็อยู่ตรงที่ได้มีการ ร่วมถวายปัจจัยเงินทองที่จะนำมาใช้ในการบุรณะซ่อมแซมปฏิสังขรทาวราวัตถุภายในวัดไม่ให้ชำนุดสุดโทรมแต่ทาวราวัตถุเหล่านี้ไม่ได้เป็น องค์ประกอบที่สําคัญของพระพุทธศาสนาองค์ประกอบที่สําคัญของพระพุทธศาสนาก็คืออยู่ที่การบวชแล้วก็อยู่ที่การศึกษาอยู่ที่การปฏิบัติถาวรลวัตถุบางชนิดไม่มีก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเช่นในสมัยครั้งที่พระพุทธเจ้าทรงบําเพ็ญ ก็ไม่มีทาวอรวัตถุอย่างที่เรามีกันไม่มีเจดีไม่มีโบสถ์ไม่มีศาลาไม่มีแม้กระทั่งกุฏิที่อยู่อาศั ย, ส ม, ยสมัยทรงที่สมัยที่ได้ทรงบําเพ็ญ น, นั้นผู้ที่บําเพ็ญจะอยู่ตามป่าตามเขาอยู่ตามโคนไม้บ้างอยู่ตามถ้าบ้างอยู่ตามเงื้อมผาบ้าง อยู่ตามเรือนร้างบ้างข้อสำคัญสถานที่เหล่านั้นต้องเป็นสถานที่สงบสงัดวิเวกห่างไกลจากแสงสีเสียงห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะที่เป็นนิวรณ์เป็นอุปสรรคต่อการเจริญสมณธรรมต่อการเจริญสมาธิความสงบของใจ อันนี้แหละคือสิ่งที่สาคัญสำหรับพระาศาสนาแก่นของพระาศาสนาอยู่ตรงนี้อยู่ที่การบำเพ็ญในสถานที่สงบสงัดวิเวกเพราะเป็นสถานที่เพราะเป็นสถานที่เกิดของพระอริยเจ้าทั้งหลายของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเกิดในสถานที่เหล่านี้ ไม่ได้เกิดในโบสถ์ในวิหารในเจดีย์แต่เกิดตามป่าตามเขาดังนั้นอย่าหลงประเด็นคิดว่าการทำบุญในวันทอดกะถินแล้วได้เงินมากเพื่อที่จะเอามาสร้างโบสถ์ก็ดีสร้างเจดีย์ก็ดีสร้างถาวรถาวรละวัตถุ ต่างๆก็ดีว่าจะเป็นการค้ำจุนพระพุทธศาสนาให้เจริญรุง่งเรืองอันนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะบ่งออกถึงความเจริญของพระพุทธศาสนาการเจริญของพระพุทธศาสนานี่อยู่ที่จำนวนของพระอริยบุคคลขั้นต่างๆว่ามีนอกมีมากมีน้อย เหมือนกับมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณดิตออกมาได้บ้างได้น้อยถ้ามหาวิทยาลัยมีเครื่องไม้เครื่องมือมีถาวรและวัตถุต่างๆทันสมัยแต่ไม่มีนิสิตนักศึกษาจบการศึกษารับปริญญาสถาบันนั้นก็ไม่มีความหมายอะไรอย่างนั้นั พุทธศาสนาก็เป็นเหมือนกับสถาบันการศึกษาที่ผลิตพระอาริยบุคคลขั้นต่างๆตอนนี้เราประเมินพระพุทธศาสนาของเราเป็นอย่างไรจำนวนของผู้ที่สำเร็จการศึกษาบรรลุมรรคผลนิพพานในสมัยนี้มีมากน้อยเพียงไร แล้วมีแต่วัดวาที่มีถาวรและวัตถุที่สวยงามมากมายกายกองอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราควรที่จะพิจารณากันและผู้ที่จะทำให้พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือ ง, องมี ผู้บรรลุมรรคผลนม่พ่านกันเป็นจํานวนมากก็อยู่ที่พวกเรานี้เองอยู่ที่พวกเราที่มาร่วมกันทาบุญถวายผ้ากรถิ่นหรือถวายทานต่างๆบุคคลที่จะบรรลุมรรคผลนิพผานก็คือพวกเหล่านี้เองทีนี้อยู่ที่ว่าพวกเหล่านี้จะยอมก้าวขึ้นสู่ ขั้นต่างๆของการปฏิบัติหรือไม่ถ้าพวกเราพอใจเพียงแต่การถวายกระถินถวายผ้ากระถินถวายปัจจัยไว้ธรรมนุบบำรุงพระพุทธศาสนาไม่สนใจที่จะรักษาศีลไม่สนใจที่จะภาวนากันอ ผลก็คือจะไม่มีผู้บรรลุมรรคผลนิพพานกันเพราะการทำทานเพียงอย่างเดียวนี้ไม่พอเพียงต่อการบรรลุมรรคผลผนิพพานจำเป็นจะต้องรักษาศีลเริ่มต้นตั้งแต่ศีลห้าขึ้นไปศีลห้าแล้วก็ศีลแปดเช่น 8. เบื้องต้นก็รักษาศีลห้าไปก่อน พอมีกำลังพอแล้วก็เริ่มรักษาสิญแปดในวันธรรมมสวนะคือในวันพระพอรักษาสิญแปดในวันพระได้แล้วก็เพิ่มเป็นสองวันสามวันวันก่อนวันพระและวันพระและวันหลังวันพระเพิ่มไปเรื่อยๆควบคู่กับการบําเพ็ญจิตตภาวนา คือสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาอันนี้เป็นภารกิจของพวกเราทุกคนอย่ายกให้แก่ผู้ที่เป็นนักบวชเท่านั้นนักบวชก็มาจากพวกเรานักศึกษาที่จบมหาวิทยาลัยก็มาจากเด็กที่เข้าเรียนชั้นอนุบาล ถ้าเด็กที่เรียนชั้นอนุบาลแล้วไม่ยอมขึ้นชั้นประถมไม่ยอมขึ้นชั้นมัธยมไม่ยอมเข้ามาหาวิทยาลัยก็จะไม่มีบัณฑิตจบปริญญาขั้นต่างๆอะพุทธศาสนาของพวกเราที่ไม่มีพระอริยบุคคลกันหรือมีแต่น้อยมากก็เป็นเพราะว่าไม่มีใครอยากที่จะเรียน ชั้นสูงกว่าชั้นอนุบาลกันพอใจกับการทำทานแต่ไม่พร้อมที่จะรักษาศีลไม่พร้อมที่จะบาเพ็ญจิจต ภ, ภาวนาศาสนาของเราจึงจเจริญแบบปลอมกันเป็นความปลอมเป็นความจเจริญที่ปลอมเพราะไปจะเจริญใน ด้านถาวรวัตถุ ก, กันวัดวาอารามทุกวันนี้มีความสวยงามมีโบสถ์มีเจดีย์มีพระพุทธรูปมีกุฏิมีวิหารที่สวยงามกันแต่หาผู้ที่จบการศึกษาหาผู้ที่บรรลุมรรคผลนิพพานในสถานที่เหล่านั้นแทบจะหาไม่ได้เลย ไม่เหมือนกับสมัยพระพุทธการที่มีพระพุทธเจ้าเป็นภาพอ ร, รมมัสอาสดาเป็นผู้เผยแพ่สั่งสอนพระธรรมคำสอนเป็นผู้ปฏิบัติวิเป็นตัวอย่างให้แก่ผู้ที่มาอบรมศึกษาสมัยนั้นปรากฏมีผู้บรรลุมรรคผลนิพพานกันเป็นจำนวนมาก แต่สมัยนั้นไม่ปรากฏมีถาวรวัตถุที่สวยงามอย่างสมัยนี้นี่คือสิ่งที่พวกเราเชาวพุทธควรที่จะพิจารณากันบ้างถ้าเรารักพระพุทธศาสนาเราเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาและอยากจะให้พระพุทธศาสนานี้อยู่คู่กับโลกไปอีกเป็นเวลาอันยาวนาน มันก็ต้องเป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะต้องก้าวจากการทาทานให้ขึ้นสู่การรักษาศีลอย่างจริงจังเข้าสู่การภาวนากันอย่างจริงจังเพราะถ้าเราได้บําเพ็ญทานศีลภาวนาอย่างจริงจังแล้วมรรผลนิพพานก็จะเป็นผลที่เกิดขึ้นตามมาอย่างแน่นอน เพราะนี่คือหลักของเหตุผลเป็นหลักตายตัวไม่ขึ้นกับการกับเวลาไม่ขึ้นกับสถานที่ไม่ขึ้นกับบุคคลเป็นเหตุเป็นผลคือถ้ามีการกระทำอย่างนี้ก็จะมีผลอย่างนี้ตามมาดังนั้นพวกเราที่มาทำบุญทำทานในวันทอดกระถินของวัดต่างๆนี้ในวันนี้ ก็ขอให้เราเตือนตัวเราเองว่าเรายัางเป็นนักเรียนชั้นอนุบาลเรายัางต้องก้าวไปอีกหลายชั้นด้วยกันอีกสองชั้นด้วยกันก็คือชั้นศีลแล้วก็ชั้นภาวนาถ้าเราไม่ก้าวไปศาสนาเราก็จะไม่มีพระอริยบุคคลปรากฏขึ้นมา จะมีแต่โบสถ์วิหารที่สวยงามมีถาวรและวัตถุที่สวยงามแต่เป็นไม่สามารถเป็นที่พึ่งทางจิตใจได้ไม่สามารถสอนให้เราได้บรรลุรับผลนิพพานได้นี่ก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับการทอดกระถิน ขอให้ทราบว่าเป็นทานเป็นทานชนิดหนึ่งเท่านั้นเองถึงแม้จะมีคำกล่าวว่ามีบุญมากก็ตามก็เป็นบุญระดับทานเท่านั้นบุญที่สูงกว่าก็คือศีลถ้าทานมีบุญหนึ่งเท่าศีลก็มีบุญสิบเท่าถ้าอยากจะได้บุญมากกว่าการ ถ, ถวายผ้ากระถิ่น ไม่ต้องไปจองเป็นเจ้าภาพกะถินกันหรอกไม่ต้องมีเงินแสนเงินล้านเพื่อจะได้บุญมากๆขอให้มาถือศีลห้าศีลแปดกันเถิดอันนี้ก็จะได้บุญมากกว่าการเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากะถินแล้วถ้าอยากจะได้บุญมากกว่าการรักษาศีลถ้าศีลสิบเท่าการภาวนา น, นี่ก็จะเป็นร้อยเท่าพันเท่า ส ม, มถาภาวานาก็ร้อยเท่าวิปัสสนาภาวานาก็พันเท่าอันนี้เป็นบุญที่จะมีเพิ่มมากขึ้นไปตามลําดับแต่การที่จะก้าวขึ้นสู่บุญขั้นต่างๆนี้ก็เป็นเหมือนกับการก้าวขึ้นสู่ขั้นบันไดความยากก็จะมียากมากขึ้นเวลาที่จะต้องก้าวสูงขึ้นไปก็ต้องใช้กําลังมากขึ้น เหมือนกับการศึกษาเล่าเรียนการเริ่มเรียนชั้นอนุบาล น, นี้ย่อมง่ายกว่าการเริเรียนชั้นประถมชั้นประถมก็ง่ายกว่าชั้นมัธยมชั้นมัธยมก็ง่ายกว่าชั้นอุดมศึกษาจะไปก้าวจากชั้นอนุบาลขึ้นไปสู่ชั้นอุดมศึกษาเลยก็ย่อมเป็นไปไม่ได้หรือ ยังไม่ได้อยู่ในชั้นอนุบาลเลยพอเข้าโรงเรียนก็ขอเข้ามหาวิทยาลัยเลยอันนี้ก็เป็นแต่ไม่ได้ยกเว้นผู้ทีเ่เป็นอัจฉริยะเช่นเด็กบางคนนี่สามารถเรียนระดับ อ, อ, อุดมศึกษาจบปริญญาได้เวลาอายุไม่กี่ปี อันนี้เป็นเพราะว่ามีความสามารถมีความรู้ความสามารถที่ได้สะสมมาในอดีตชาติพอมาเรียนหนังสือก็จะรู้เข้าใจได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วอย่างพระพุทธเจ้าตามที่ได้อ่านตามประวัติสมัยที่ยังเป็นพระราชโอรสอยู่พระราชบิดาก็ให้ครูอาจารย์ มาสอนวิชาต่างๆต่อให้กับเจ้าชายสิทธัตถะแต่สอนไปสอนมาเจ้าชายสิทธัตถะกลับรู้มากกว่าอาจารย์ที่มาสอนเสียเองอันนี้ก็เป็นเพราะว่าพระพุทธเจ้าได้ส่งบำเพ็ญปัญญาบารมีมาอย่างโชคโชนในอดีตชาติมีความรู้ที่สะสมอยู่ภายในจิตอย่างมากมาย ถ้าเป็นกรณีอย่างนี้ก็สามารถที่จะก้าวเข้าสู่ชั้นระดับอุดมศึกษาได้เลยเช่นเวลาพราะองค์พร้อมที่จะออกปฏิบัติออกบวชพระองค์ก็ทรงออกบวชไปอยู่ตามป่าตามเขาได้เลยจากการอยู่ในพระราชวังล้วก็เข้าไปสู่อยู่การอยู่ตามป่าตามเขาอยู่แบบนัก บ, บวช บำเพ็ญสมถะและวิปัสสนาภาวานาตามลำดับจนได้ตัดสรลุเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาอันนี้เป็นอำนาจของปัญญาบารมีและบารมีต่างๆเช่นวิริยะบารมีศีลบารมีเนคข ม, มะบารมีอุเบกขาบารมีทานบารมีที่ได้ทรงบําเพ็ญมาอย่างโชคโชนจึงทำให้พระองค์สามารถ ที่จะผ่านการเดินขั้นต่างๆไปได้อย่างง่ายดายและรวเดเร็วเพียงระยะเพียง6ปีเท่านั้นเองก็สามารถตัดเจ้ารู้พระอนุตตราสัมมาสัมโพธิญาณได้ตัดเจ้ารู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อันนี้ก็เป็นกรณีพิเศษ แต่สําหรับบุคคลทั่วๆไปนี้ก็มักจะต้องไต่เต้าจากทานขึ้นสู่ศีลจากศีลขึ้นสู่การภาวนาจากการภาวนาแบบเป็นผู้คลองเรือนแล้วก็ก้าวเข้าสู่การภ า, ภาวนาแบบนักบวชตามลําดับไปประวัติครูบาจารย์เราก็คงได้ยินได้ฟังกันเบื้องต้นท่านก็ บำเพ็ญอยู่ในเพศของคาวรวะไปก่อนทำบุญตักบาตรแล้วก็เข้าวัดฟังเทศฟังธรรมรักษาศีลในวันพระต่อมาก็จากศีลห้าก็รักษาศีลแปดศีลอุโบสถค้างอยู่ในวัดหนึ่งคืนไม่กลับบ้านเพราะการจะบำเพ็ญภาวนาการจะรักษาศีลแปดให้บรยสุดนี่ จะง่ายกว่าถ้าบําเพ็ญอยู่ในวันถ้าไปบําเพ็ญที่บ้านนี้จะมีอุปสรรคมีเครื่องรอใจเพราะว่าจะมีคนที่เขาไม่ได้รักษาศีลแปดกันเขาก็จะทำอะไรต่างๆที่คนรักษาศีลแปดทำไม่ได้พอคนรักษาศีลแปดเห็นคนเขาทำสิ่งต่างๆที่ตนเองทำไม่ได้ก็อาจจะอยากจะทำตามเขา ก็อาจจะทำให้ศีลขาดได้แต่ถ้าไปอยู่ในวัดก็จะไปอยู่กับกลุ่มที่มีศีลเหมือนกันหรือมีศีลมากกว่ากันเช่นอยู่กับพระพระท่านก็มีศีล227ข้อก็จะทำให้การรักษาศีลแปดนี้เป็นไปได้อย่างง่ายดายเรื่องต้นก็บาเพ็ญอย่างนี้ไปก่อน พอกิตใจเริ่มมีการพัฒนาได้สัมผัสกับความสงบมากขึ้นได้เห็นคุณประโยชน์ของความสงบมากขึ้นได้สัมผัสกับปัญญาความรู้ทางศาสนาทําให้ผ่อนคลายความทุกข์ความเครียดความไม่สบายใจภายในใจได้มากขึ้นก็จะเห็นคุณค่าของการ รักษาศีลของการภาวนาก็จะทุ่มเทเวลาให้กับการรักษาศีลการภาวนามากขึ้นไปตามลำดับจนเห็นว่าการอยู่แบบผู้คองเรือนี้ไม่สามารถที่จะก้าวให้ไปไกลกว่า น, นี้ได้ก็จะออกบวชกันสละเพศ ของผู้คลองเรือนแล้วก็เข้าสู่ภาคกาสาวะพัฒออกบวชปฏิบัติศึกษาและปฏิบัติอย่างเคร่งครัดถ้าได้บำเพ็ญอย่างนี้แล้วถ้าได้พบกับครูบาอาจารย์ที่ได้บรรลุธรรมแล้วเป็นผู้สอนก็จะสามารถบรรลุธรรมได้ภายในเวลาไม่กี่ปี อย่างที่พระเจ้าได้ส่งพยากรหรือรับรองไว้แล้วว่าผู้ใดศึกษาจากพระพุทธเจ้าและปฏิบัติตามที่พระพเจ้าได้ทรงสอนให้ปฏิบัติในสติปัฏฐานสูตรได้ผู้นั้นจะสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ภายในเจ็ดปีเป็นอย่างช้าภายในเจ็ดวันเป็นอย่างเร็วอันนี้เป็นของที่ ไม่น่าเชื่อเลยในสมัยนี้ว่าจะเป็นไปได้เพราะว่าไม่มีผู้รู้จริงเห็นจริงมาเผยแผ่สั่งสอนแล้วก็ไม่มีผู้ที่มีความแน่วแน่เอาจริงเอาจังต่อการปฏิบัติการที่จะบรรลุมรรผลนิพพานได้นี้มีปัจจัยสองส่วนคือผู้สอนและผู้ศึกษา ผู้สอนก็ต้องเป็นผู้ที่ได้บรรลุธรรมมาแล้วผู้ศึกษาก็ต้องมีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสามีศรัทธาที่จะปฏิบัติตามคำสอนของผู้สอนอย่างเคร่งครัดถ้าเป็นอย่างนั้นก็จะสามารถบรรลุได้อย่างในเรื่องของพระโพธิรัตว์ที่ ได้สัมมาเนรมาเป็นอาจารย์พอสัมมาเนรรับมาเป็นลูกศิษย์แล้วหลังจากที่ได้ทดสอบศรัทธาได้ทดสอบอินทรีย์ได้ทดสอบอิทธิบาทสี่ว่ามีหรือไม่พอเห็นว่าพระโพธิลมีศรัทธาแล้วมีอิทธิบาทสี่แล้วมีอินทรีย์ห้าแล้ว ก็สอนธรรมะให้แก่พระโพธิลัตในเวลาไม่นานพระโพธิลัตก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานขึ้นมานี่คือปัจจัยสำคัญในการที่จะบรรลุทำขั้นต่างๆก็คือหนึ่งต้องมีอาจารย์ผู้ที่ได้บรรลุธรรมแล้วเป็นผู้สอนสองต้องมีอิทธิบาทสี่มีชันทะ มีความยินดีวิริยะมีความอุตสาหะภาคเพียรมีจิตตะมีใจที่จดจ่อต่อการศึกษาต่อการปฏิบัติมีวิมังสาคือใจที่ใไข้ควรคิดอยู่กับเรื่องศึกษาเรื่องการปฏิบัติธรรมเท่านั้นจะไม่คิดถึงเรื่องการไปทําทานที่นั่นที่นี่กรถินวัดนั้นวัดนี้ผ้าป่าวัดนั้นวัดนี้หรืองานสังคมต่างๆ หรือไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆผู้ที่มีอิทธิบาทสี่มุ่งมั่นต่อมั่งผลนิพพานแล้วจะไม่คิดถึงเรื่องราวเหล่านี้จะคิดอยู่กับเรื่องการหาที่ ส, บสงบสงัดวิเวกจะคิดอยู่ถึงเรื่องการเจริญสติจะคิดถึงเรื่องการนั่งสมาธิจะคิดถึงเรื่องการเดินจงกรมจะคิดถึงเรื่องการพิจารณาอานิจจังทุกขังอนัตตา จะคิดถึงเรื่องอริยสัจว์่ทุกสมุทัยนิโรธมรกจะคิดถึงเรื่องขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพิจารณาว่าเป็นอนิจจทุกขังอนัตตานี่คือวิมังสาของผู้ที่ใฝ่รมถ้าผู้ใดมีอิธิบาสี่มีความยินดีที่จะศึกษาปฏิบัติธรรม มีวิริยะความอุตสาหะความภาคเพียรที่จะศึกษาปฏิบัติธรรมมีจดใจจิตใจที่จดจ่ออยู่กับการศึกษากับการปฏิบัติมีวิมังสามีการไอ้ควรอยู่กับเรื่องศึกษาและการปฏิบัติผลก็ต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนก็คือมรคนิพพานขั้นต่างๆนี้ย่อมเกิดขึ้นได้ดังนั้น ผู้ใดที่อยากจะบรรลุมรรคผลนิพพานอยากที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดและอยากที่จะสืบทอดพระศาสนาอยากที่จะรักษาพระศาสนาให้มีอายุยืนยาวนานก็ต้องปฏิบัติอย่างนี้คือทำทานรักษาสีงภาวนานไปตามลำดับ สร้างอิทธิบาทสี่ขึ้นมาแล้วก็แสวงหาครูบาอาจารย์ผู้ที่มีความรู้จริงเห็นจริงมาเป็นผู้สอนแล้วผลที่พระสาวกทั้งหลายได้รับกันก็จะเป็นผลที่ผู้นั้นจะได้รับเช่นเดียวกันอย่างแน่นอนนี่คือเรื่องของ ตัวเรากับพระพุทธศาสนาขอให้เราพิจารณาเตดินตัวเราอยู่เรื่อยๆว่าการได้มาเกิดเป็นมนุษย์การได้พบกับพระพุทธศาสนานี้เป็นของที่ยากมากการเกิดมนุษย์ตามลําพังก็ยากพอสมควรแนละ้วเพราะตายไปนี้กวาจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่นี้ก็ต้องกลับไปใช้บุญใช้กรรมก่อน กว่าจะหมดกว่าบุญกกรรมจะมีกําลังเท่ากันให้เราได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็อาจจะเป็นเวลาหลายพันปีหลายหมื่นปีก็ได้เพราะถ้าเราทำกรรมไวมากก็ต้องไปรับใช้กรรมมากเช่นฆ่าสัตว์จับชีวิตไว้มากฆ่ามดฆ่าแมลงฆ่าสัตว์ต่างๆเป็นเป็นพันเป็นร้อยก็ต้องกลับไปเกิดเป็นมดเป็นแมลงเป็นพันเป็นร้อยครั้งก่อน ว่าที่จะหมดกรรมถึงจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่หรือถ้าไปรับผลบุญก็จะไปเกิดเป็นพรหมบ้างเกิดเป็นเทพบ้างก็จะเสวยผลบุญของเทพของพรหมเป็นเวลาหลายหมื่นปีกว่าจะกลับมาครั้งหนึ่งก็จะไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้เพราะการปรากฏของพระพุทธศาสนาในแต่ละครั้งนี้ก็ใช้เวลา นานมากช่วงของพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นี้ห่างกันเป็นกับแล้วก็อายุของศาสนาของแต่ละพระพุทธเจ้าก็มีไม่ยาวนานเช่นของพระพุทธเจ้าของเรานี้ก็ส่งพยากรณ์ว่าอยู่ได้ประมาณห้าพันปีตอนนี้ก็ผ่านมาแล้วสองพันห้าร้อยกว่าปีผ่านมาเกินครึ่งหนึ่งแล้ว เราตายไปแล้วเวลาเรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เราอาจจะไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาอีกแล้วก็ได้อาจจะต้องรออีกเป็นเวลาหลายกลับด้วยกวันกว่าจะได้พบกับศาสนาใหม่ศาสนานของพระพุทธเจ้าองค์ข้างหน้านี้เราอาจจะไม่ได้พบก็ได้เพราะจังหวะที่มาเกิดเป็นมนุษย์อาจจะไม่ตรงกันก็ได้เวลาที่มีพระีอานมาตัดะรู้เป็นพระพุทธเจ้า แต่เวลานั้นเราไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์พอเรามาเกิดเป็นมนุษย์ศาสนาของวสิยานก็อาจจะเสื่อมหมดไปแล้วหา้ไปหมดดาวก็ได้ดังนั้นชาตินี้ภพนี้อันนี้แหละเป็นชาติที่ดีที่สุดเลิที่สุดเพราะเราได้พบกับพระพุทธศาสนาแล้วเราเป็นมนุษย์ที่สามารถที่จะศึกษา พ่อธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้แล้วเรามีชีวิตที่จะสามารถปฏิบัติพ่อธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าได้แล้วถ้าเราไม่ตักตัวงโอกาสอันนี้หรือถ้าตักก็ตักน้อยเช่นทําเพียงจัดทานเพียงอย่างเดียวฟังเทศแต่ไม่ปฏิบัติศึกษาแล้วไม่ปฏิบัติไม่ก้าวขึ้นสู่การรักษาศีล ไม่ก้าวขึ้นสู่การภาวนาเราก็จะไม่สามารถที่จะรับอนิสง์ของการที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้แต่ถ้าเราพร้อมที่จะก้าวขึ้นจากการทําทางเข้าสู่การรักษาศีลเข้าสู่การภาวนาเราก็จะมีโอกาสที่จะได้รับผลอย่างที่พระสาวก ทั้งหลายได้รับ ก, กันอยู่ที่ตัวเรานี้เท่านั้ น, นพระศาสนาไม่บกพร่องตรงไหนพระพุทธศาสนามีพร้อมที่จะให้คำสอนให้ความรู้กับพวกเราอยู่ที่ตัวพวกเราเองที่ไม่ขวายคว้าไม่น้อมนามาปฏิบัติกับกายวาจาใจของเราดังนั้นก็ขอให้ท่านทั้งหลาย ได้นำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้นำเอาไปพิจารณาค่ายควรและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ก่อน จะให้พรก่อนนะแล้วถ้าใครอยากจะอยู่ถามปัญหาสนทนาทารรต่ อ, อสักพักหนึ่งก็ยังพอมีเวลาอยู่ตอนนี้ก็ขออนุโมทนาให้พรยะทาวาไรวาหาปุราปาริปุเรนติสคขลงเอวเมวะอิโตจินงังเปตานางังอุปกัปะติ อิจิตังปะทิตังตุมหังคิดเป้าเมวะสมิจฉาตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถาเมริโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชานตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวตวันตารโยสุขิติขายุโกภวะ อาพิวาธนะสีลิสะนิตจังวุทธาปัจจายโนจตารโธรมมวะทานติอายุวันโอสุขังภาลังถ้าใครอยากจะถามปัญหาอะไรก็เชิญถามได้ เชิญถามทางอินเทอร์เน็ตก็ได้ครับต่อไปเป็นคำถามจากทางเฟซบุ๊กพระอาจารย์สุชาติอดิชาโตนะครับคำถามจากคุณผืนฟ้าสายลมนะครับเมื่อสองวันก่อนผมได้นั่งสมาธิโดยกำหนดดูลมหายใจนั่งไปได้สักหนึ่งชั่วโมงก็เกิดความปวดขึ้นมาพยายามทำตามหลวงพ่อสอนแยกความปวดออกจากการอยากหายปวดของใจ จนความปวดมันเหลือนิดเดียวสามารถทนอยู่กับมันได้แล้วพิจารณาหาความปวดตามร่างกายเช่นที่กระดูกที่เนื้อที่เอ็นที่หนังแต่ไม่เจอจนใจมันบอกว่าความปวดไม่ได้อยู่ที่กายหรอกทุกมันก็ไม่ได้อยู่ที่กายหรอกเลยพยายามย้อนกลับมาดูที่ใจแต่ไม่เห็นอะไรนอกจากความมืดพิจารณาไปต่อไม่เป็น ความปวดเล็กๆมันก็ค้างอยู่อย่างนั้นลองกลับมาดูลมบ้างย้อนกลับไปพิจารณาใหม่บ้างยันกันไปยันกันมาครึ่งชั่วโมงไม่รู้จะไปยังไงต่อก็เลยออกจากสมาธิพอขยับความปวดก็หายไปแบบนี้ควรปฏิบัติอย่างไรต่อครับควรพิจารณาอย่างไรต่อก็ควรพิจารณาแยก ความเจ็บทางร่างกายกับความเจ็บทางจิตใจพิจารณาให้เห็นว่าความเจ็บทางร่างกายนี้เป็นสิ่งที่เราไปสั่งไม่ได้สั่งให้หายไม่ได้เวลาเขาเจ็บก็ต้องอยู่กับเขาให้ได้สิ่งที่เราห้ามไม่ให้เกิดขึ้นมาได้ก็คือความเจ็บทางใจที่เรียกว่าความทุกข์ใจทุกในอริยสัจสี่ ทุกใจนี้เกิดจากความอยากอยากให้ความเจ็บทางร่างกายหายไปถ้าเวลาเกิดความเจ็บทางร่างกายแล้วถ้าเกิดความอยากให้ร่างความเจ็บทางร่างกายหายไปก็จะทำให้เกิดความเจ็บขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งที่เรียกว่าความเจ็บทางใจที่เรียกว่าทุกทุกในอริยสัจสี่ทุกที่เกิดจากความอยาก ที่เป็นความทุกข์ที่รุนแรงกว่าความทุกข์ทางร่างกายถ้าเราสามารถที่จะสอนใจให้ปล่อยวางทุกข์ทางร่างกายได้คือยอมรับความจริงว่าเราไปสั่งเขาไม่ได้เขาเป็นอนัตตาเวทนาอนัตตาจะได้ว่าเราไปบอกให้เ้าหยุดบอกให้เ้าหายไปไม่ได้ เราก็ต้องยอมอยู่กับเขาให้ได้ถ้าเรายอมอยู่กับเขาแล้วเราจะพบว่าเขาไม่รุนแรงไม่อันตรายเหมือนกับความทุกข์ใจที่เกิดจากความอยากให้ความทุกข์ทางร่างกายหายไปเวลาภาวนาถ้าความทุกข์ทางใจหายไปแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรถ้าใจนิ่งเฉยเป็นอุเบกขาสักแต่ว่ารู้ ความเจ็บของร่างกายจะมีอยู่หรือหายไปก็ไม่เป็นปัญหาอะไรนี่เป็นการปฏิบัติเพื่อให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ที่เกิดจากความอยากให้ความทุกข์ทางร่างกายนั้นหายไปถ้าเราทำได้ก็ขอให้เราทำบ่อยๆซ้อมบ่อยๆจนเรามีความชำนาญจนเราไม่มีความหวาดกลัวกับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกาย ร่างกายจะเป็นไข้หวัดจะเป็นปวดตรงนั้นปวดตรงนี้เจ็บท้องปวดศีรษะไม่ต้องวิ่งหายาแก้ปวดมารับประทานสามารถใช้ธรรมโอสถคือใช้ปัญญาพิจารณาปล่อยวางความเจ็บของร่างกายแล้วความเจ็บของใจจะไม่เกิดขึ้นถ้าความเจ็บของใจไม่เกิดขึ้นแล้วความเจ็บของร่างกายนี้ เป็นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองเป็นหนึ่งในสิบของความเจ็บแต่ความเจ็บของทางใจนี้เก้าหรือสิบเท่าของความเจ็บของทางร่างกายเมื่อเราสามารถดับความเจ็บทางใจได้แล้วความเจ็บทางร่างกายจะไม่เป็นปัญหาอย่างพระอาหารหันต์พระพุทธเจ้านั่นเวลาท่านานิพพานกันท่านนิพพานอย่างสบายใจของท่านไม่ได้ไปทุกข์ ไม่เลยไปอยากให้ความเจ็บของทางร่างกายหายไปไม่ได้มีความอยากไม่ให้ร่างกายไม่ตายอันนี้แหละคือสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติให้ได้ก็คือหยุดภาวะหยุดวิภาวะตัณหาความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายโดยการฝึกซ้อมอย่างที่เราทำกันอยู่นั่งสมาธิแล้วเวลาเจ็บก็อย่าเพิ่งลุก เวลาเจ็บก็ให้พิจารณาแยกดูว่าเรามีความเจ็บทางใจหรือไม่ถ้าเราลุกก็แสดงว่าเรามีแล้วเราอยากจะลุกแล้วเราอยากจะหนีจากความเจ็บนั้นแล้วก็ไม่ควรจะลุกควรจะนั่งไปเจกนกระทั่งใจเชื่องใจสงบใจนิ่งใจอยู่กับความเจ็บของทางร่างกายได้เพราะถ้าเราทำได้แล้วต่อไปเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วย เราจะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายนี่ก็คือคำตอบมีไหมคำถามข้อต่อไปจากคุณอัญชนานะครับหนูขอรบกวนเรียนถามพระอาจารย์เกี่ยวกับการนั่งสมาธิพอหนูนั่งไปสักครู่คอหนูจะเริ่มตกหลังเริ่มงอแต่พอรู้ตัวว่าหลังงอมากหนูก็จะตั้งตัวตรงและบางที หนูก็จะต้องกลืนน้ำลายบ่อยวิธีที่ถูกควรทำอย่างไรหนูหนูเคยเข้าสมาธิได้อย่างที่พระอาจารย์สอนแต่ไม่รู้ว่าเข้าได้อย่างไรทําไม่ได้แล้วพยายามนึกพยายามทำก็ทาไม่ได้หนูหยุดส่วนมนต์ภาวนาไปประมาณสองเดือนพอรู้ตัวว่าตัวเองเริ่มพร้อมก็ลงนั่งสมาธิ แต่จะไม่ค่อยสวดมนต์เหมือนแต่ก่อนจะอยากนั่งสมาธิมากกว่าการภาวนานี้ก็ต้องใช้สติเป็นอ ง, องค์ประกอบที่สำคัญจะภาวนาได้ผลหรือไม่ก็อยู่ที่ว่าสติมีความต่อเนื่องหรือไม่สตินี้ก็คืออารมณ์ที่เราใช้เป็นเครื่องผูกใจถ้าเราใช้การบริกรรมพุทโธ เราก็ควรที่จะจดจ่ออยู่กับการบริกรรมเพียงอย่างเดียวโดยที่ไม่ไปสนใจกับอาการของทางร่างกายเช่นอาการอยากจะกลืนน้ำลายหรือคันตรงนั้นเจ็บตรงนี้ลักษณะเหตุที่นั่งแล้วคอพับหลังงอก็เพราะว่าสติมีกําลังอ่อนอนั่งไปแล้วไม่นานก็เผลอสติก็ง่วงหลับไปดังนั้นการที่จะนั่ง สมาธิให้เกิดผนขึ้นมานี้จำเป็นจะต้องฝึกสติให้มากๆและจะต้องฝึกก่อนที่จะมานั่งไม่ใช่จะมาฝึกตอนที่เริ่มนั่งจะไม่มีกำลังพอจะสู้กับนิวรณ์เช่นความง่วงนอนไม่ได้หรือสู้กับนิวรณ์คือการ ม, มาฉันทะคันตรงนั้นเจ็บตรงนี้ไม่ได้หรือจะสู้กับความฟุ้งซ่านไม่ได้ความคิดปรุงแต่งไม่ได้ถ้าไม่มีสติ ดังนั้นจึงจําเป็นจะต้องมีการเจริญสติตลอดเวลานอกจากเวลาหลับเท่านั้นคือพอตื่นขึ้ น, นมาถ้าเราใช้พุโทโธเป็นการเจริญสติก็ขอให้เราบริกรรมพุโทโธใบภายในใจอย่างต่อเนื่องไม่ว่าเรากําลังจะทํากําลังทํากิจกรรมอะไรที่ไม่ต้องใช้ความคิดเราก็ บริกรมรมควบคู่ไปกับการกระทําเช่นการแปลงฟันการล้างหน้าการอาบน้ําห ว, วีผมหวีผมแต่งเนื้อแต่งตัวนี้ไม่จําเป็นจะต้องใช้ความคิดมากที่เราต้องการบริกรรมพุทโธก็เพื่อที่จะหยุดใจไม่ให้ลอยไปที่อื่นใจเรามักจะลอยไปกับเรื่องราวต่างๆเรื่องในอดีตบ้างเรื่องในอนาคตบ้างเรื่องดีบ้างไม่ดีบ้างพอคิดแล้วใจก็จะเกิดอารมณ์ ว่าวุ่นขุนมัวขึ้นมาเวลาจะทำสมาธิก็จะไม่สามารถที่จะหยุดความคิดปุนแต่งต่างๆได้เราจึงต้องใช้การเจริญสติรือการบริกรรมพุทโธไปอย่างต่อเนื่องในชีวิตประจาวันของเราตั้งแต่เราตื่นจนหลับถ้าเราสามารถที่จะเจริญได้มากเท่าไหร่ก็แสดงว่าเรามีสติมากขึ้นไปเท่านั้น ต้องทำอย่างนี้ไปก่อนนเวลามานั่งสมาธิการนั่งก็จะเป็นไปได้อย่างง่ายดายจะไม่ง่วงนอนจะไม่ฟุง้งซ่านจะไม่รู้สึกคันตรงนั้นเจ็บตรงนี้อยากจะเกินน้ำลายอะไรต่างๆถึงแม้จะมีถ้าเราไม่สนใจก็จะไม่เป็นปัญหาเวลานั่งภาวนาแล้วก็ให้อยู่กับองค์ภาวนาอยู่กับอารมณ์ที่เราใช้เป็นเครื่องผูกใจ ถ้าเราใช้การบริกรรพุโทโธแล้วก็บริการพุโทโธไปไม่รู้ไม่ชี้ไม่ต้องไปสนใจกับผลที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นหรือไม่หรือผลที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตอย่าเบื่อย่าให้ใจออกจากการบริกรรมพุโทโธโดยเด็ดขาดให้อยู่กับการบริการพุโทโธเพียงอย่างเดียวอย่าไปคิดถึงอดีตผลที่เคยได้คราวที่แล้วคราวก่อนนั้นนั่งแล้วสงบพอคราวนี้นั่งแล้วไม่สงบก็ เกิดความคิดถามตัวเองว่าทำไมไม่สงบสักทีถ้ายิ่งคิดมันก็ยิงย่งจะไม่สงบใหญ่เพราะเราไม่ได้สร้างเหตุที่จะทําให้ใจสงบก็คือการสร้างสติให้ใจจดจ่ออยู่กับเรื่องเดียวคือการบริกรรมพุทโธหรือผลที่จะตามมาก็อย่าไปคาดว่าทําไมยังไม่สงบสักทีบริกรรมมาต้องนานแนละ้วทำไมไม่สงบถ้ายิ่งคิดอย่างนี้ก็ยิ่งจะไม่สงบใหญ่อย่าไปสนใจกับอดีต อย่าไปสนใจกับอนาคตดึงใจให้อยู่ในปัจจุบันให้อยู่กับพุทโธพุทโธไปแล้วเดี๋ยวใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบเองนี่คือหลักของการภาวนาะที่ภาวนาแล้วไม่ได้ผลกันส่วนใหญ่ก็เพราะว่าไม่มีสติไม่มีเครื่องมือนั่นเองอยังไม่ได้พบกับความสำเร็จในการภาวนาะดังนั้นถ้าอยากจะนั่งสมาธิแล้วได้ผลคือได้ความสงบ จิตรวมเป็นหนึ่งเป็นอุเบกขาก็ต้องฝึกเจริญสติในชีวิตประจำวันไปเราสามารถเจริญได้ตลอดเวลาแต่จันยิ่ง่ายจะยากนี้ก็อยู่กับเหตุการณ์ที่เราอยู่ถ้าเราอยู่คนเดียวนี้จะเจริญง่ายกว่าอยู่กันหลายคนถ้าเราต้องมีปฏิกริยามีการสนทนามีการกระทาต่อกับบุคคลอื่น การเจริญสตินี้ก็จะยากถ้าถึงเวลานั้นก็ให้สติจดจ่ออยู่กับการกระทาของเราก็ได้ถ้าบริกรรมพุโทโธไม่ได้เช่นถ้าจะต้องทากิจกรรมก็ให้ใจจดจ่ออยู่กับกิจกรรมเ็งอย่างเดียวอย่าไปคิดเรื่องต่างๆพอเราอยู่คนเดียวแล้วใจจะลอยไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็ใช้การบริกรรมพุโทโธหยุดเอาไว้ดึงเอาไว้พยายามทาไป ใหม่ๆก็จะเป็นการล้มลุกคุกกานไปก่อนทําได้สองสามคำก็หายไปแล้ว <c oughs> พุทโธได้สองสามคำไม่ถึงนาทีหนึ่งก็หายไปแล้วแล้วมานึกถึงได้ก็อีกสี่ห้าชั่วโมงเอ้ยพุทโธเราหายไปไหนเราไม่ได้อยู่กับพุทโธเลยก็ <c oughs> ไม่เป็นไรอย่างน้อยขอให้เรากลับมาหาพุทโธได้สักครั้งสองครั้งหรือสักสองสามสสครั้งในวันหนึ่งก็ยังถือว่าเรามีความพยายามมีความตั้งใจ อย่าไปแบบว่าไม่เคยคิดถึงพุโทโธเลยไม่เคยคิดถึงเรื่องการเจริญสติเลยอันนี้จะแสดงว่าอยู่ห่างไกลมากยากต่อการที่จะนั่งทําใจให้สงบได้แต่ถ้าเรายังมีความนึกถึงพุโทโธอยู่ถึงแม้ว่าจะเผลอหายไปเราก็พยายามดึงกลับมาเป็นระยะเป็นระยะต่อไปพุโทโธก็จะอยู่กับเรานานขึ้นยาวขึ้นไปเรื่อยๆ แล้วต่อไปก็จะสามารถดึงใจผูกใจไว้ให้อยู่กับที่ได้ให้อยู่ในปัจจุบันได้ให้สักแต่ว่ารู้ได้ไม่ลอยไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้และเวลานั้นเวลานั่งสมาธิใจก็จะสงบได้อย่างง่ายได้ฉะนั้นขอให้เราหมั่นเจริญสติกันให้มากๆสตินี้พระเจ้าทรงทรงตรัสไว้เลยว่าป็นธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สาคัญที่สุด ในบรรดาธรรมทั้งหลายถ้าเปรียบเทียบของรอยเท้าสัตว์ในป่าก็ไม่มีรอยเท้าของสัตว์ใดที่จะใหญ่เท่ากับรอยเท้าช้างรอยเท้าช้างนี่ครอบรอยเท้าของสัตว์ทั้งหมดได้หมดสติก็เป็นธรรมที่ยิ่งใหญ่กว่าธรรมทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นสมาธิหรือปัญญาถึงแม้ว่าสมาธิและปัญญาจะให้ผลดีกว่า แต่ถ้าไม่มีสติก็เกิดสมาธิไม่ได้ถ้าไม่มีสมาธิก็เกิดปัญญาขึ้นมาไม่ได้ถ้าไม่มีปัญญาก็ไม่สามารถดุดพ้นได้เพราะฉะนั้นก่อนที่จะมีปัญญาได้ก็ต้องมีสมาธิก่อนก่อนที่จะมีสมาธิก่อนก็ต้องมีสติก่อนเหมือนกับการเรียนหนังสือก่อนที่จะอ่านออกเขียนได้ก็ต้องท่องกอไก่ขอไข่ ไ, ขไปก่อน อย่าขี้เกียจอย่าอย่าข้ามขั้นถ้าข้ามขั้นแล้วก็จะไม่สําเร็จจะไม่ได้ผล <c oughs> นี่คือหลักของการเจริญจิตตภาวนาขั้นต้นต้องเจริญสติเพื่อให้ได้สมถภาวนาเพราะสมถะได้สมถภาวนาแล้วก็จะออกสู่การเจริญวิปัสสนาภาวนาได้ พอาจารวิปัสสนาภาวนาได้ก็วิมุติก็เกิดขึ้นมาได้นี่คือเรื่องของการภาวนามีปัญหาอีกไหมจ า, จากท่านเดิมนะครับขอเรียนถามอีกปัญหาว่าเวลาออกกำลังกายเราพูดโทรเช่นแกวงมือขึ้นก็บอกพุธแกวงมือลงก็พูดว่าโทรได้หรือเปล่าคะบาปไหม ก็บอกแล้วไงว่าให้เจริญพุทธโธตลอดเวลาไม่ว่าเราจะทำกิจกรรมอะไรแม้แต่นั่งปัสสาวะอุจจาระก็บริบรกา ร, รพุทธโธไปภายในใจได้เพียงแต่อย่าส่งเสียงดังก็แล้วกันอย่าออกเสียงมาภายนอกเพราะเวลาออกเสียงแล้วอาจจะไม่ถูกการะเทศะคือผู้อื่นที่เขาฟังแล้วเขาอาจจะ คิดว่าเราเพี้ยนไปหรือเปล่าแต่ถ้าเราทำแต่ถ้าเราจะทําอยู่ภายในใจนี้ทําได้ตลอดเวลาจําเป็นจะต้องทําด้วยไม่ใช่ว่าทําหรือไม่ทําการทําการเจริญสติทุกเวลานาทีนี้เป็นบุญทังนั้นไม่ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ปัญหาข้อต่อไปนะครับเป็นปัญหาท <c oughs> ี่เรีย ม, มานะครับ <c oughs> การกระทาการประพฤติปฏิบัติบาเพ็ญตน การใช้ชีวิตวนในชาติปัจจุบันคือการกาหนดทิศทางการเกิดของภพหน้าโดยตรงใช่หรือไม่หรือมีปัจจ <c oughs> <c oughs> ัยอื่นๆอีกก็อย่างพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้แล้วว่ากรรมนี่แหละเป็นผู้กาหนดอนาคตของพวกเรากรรมเป็นผู้จำแนกแยกสัตค์ให้เป็นไปต่างๆนานากรรมนี่แหละที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์เป็นเทวดาเป็นมนุษย์ เป็นเดรัจฉานเป็นอะไรก็ อ, อยู่ที่กรรมนี้เท่านั้นเองคือการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจถ้ากรรมกรรมดีคือบุญกุศลก็จะพาไปสู่สุกคติพาไปสู่มรรคผลนิพพานถ้ากรรมชั่วก็จะพาไปสู่อบายไปสู่การเกิดเป็นเดราาัจฉานเป็นเปรตไปสู่นรกทั้งหมดนี้อยู่ที่กรรมนี้เท่านั้น กรรมแปลว่าการกระทำที่เราใช้คำว่ากรรมนี้บางทีเราใช้คำว่ากรรมแทนคำว่าบาปเช่นบุญกรรมกาจริงแล้วเราหมายถึงบุญบาปแต่คำว่ากรรมจริงๆนี้เป็นคำกลางๆไม่ใช่เป็นบุญหรือเป็นบาปถ้าเป็นกรรมดีก็เป็นบุญถ้าเป็นกรรมชั่วก็เป็นบาปดังนั้นทั้งหมดนี้อยู่ที่คำว่ากรรมอย่างที่บทที่เราได้สวดกันอยู่เป็นประจาว่า เรามีกรรมเป็นของของตนเรามีกรรมเป็นผู้ให้กำเนิดเราเป็นมีกรรมเป็นผู้ให้เผ่าพันเป็นเผ่าพันเรามีกรรมเป็นที่พึ่งของเราจะทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น <Yeah. S 2> นี่หลคือนี่หลกหลักของพระพุทธศาสนาอยู่ที่ตัวนี้ตัวเดียวอยู่ที่กรรมมริคไม่ได้อยู่ที่ เ, เทวิริคไม่ได้อยู่ที่รรมรรค อยู่ที่การกระทำของเราเราอยากเป็นพระอาหารหันต์ก็เป็นได้เราอยากจะเป็นเ อ, อ<ม>เัจฉานเราก็เป็นได้อยากจะเป็นเดรัฉานก็อยากไปรักษาศี่ห้าถ้าอยากจะเป็นพระอาหารหันต์ก็ออกบวชจะนอนสมะถะวิปัสสนาภาวนาไปก็จะเป็นพระอาหารหันต์ขึ้นได้ในอนาคตอนาคตนี้จะใกล้หรือจะไกลก็อยู่ที่ความพร้อมของ <c oughs> ปัจจัยที่จะทำให้เกิดผลขึ้นมา คำถามข้อต่อไปนะครับกรรมที่เกิดจากความคิดแต่ยังไม่ได้ลงมือกระทำมีไหมและหากเพียงแค่คิดระดับไหนถึงจะเรียกว่าเข้าข่ายสร้างกรรมกรรมที่เกิดขึ้นในความคิดก็คือความสุขใจหรือความทุกข์ใจเกิดขึ้นทันทีในขณะที่เราคิดคิดร้ายใจเราก็ร้อนขึ้นมาทันทีคิดดีคิดด้วยความเมตตาใจเราก็เย็นลงทันที ผลมีปรากฏขึ้นทันทีในใจของเราส่วนที่จะเป็นวิบากตามมาก็ต้องมีการกระทําทางวาจาและทางกายถ้าเราปล่อยให้ <c oughs> ความคิดไม่ดีออกมาทางกายทางวาจาก็จะมีวิบากมีเวรมีกรรมตามมาคือเราพูดไม่ดีคนที่ก็ฟังแล้วเขาไม่ชอบใจเขาก็พูดไม่ดีกับหาเราแต่ถ้าเราเคียงแต่คิดไม่ดีแต่เราไม่พูดไม่ดี วิบากก็จะไม่ยังไม่เกิดคนเขาเราโกรธคนนี้เราอยากจะด่าเขาแต่เราก็หุบปากไว้เขาก็ไม่ได้ยินเสียงด่าเราเขาก็ไม่ด่ากับถ้าเราไม่ไปทุบตีเขาเขาก็ไม่ทุบตีเราดังนั้นกรรมที่เกิดจากภายในใจหรือผลที่เกิดจากความคิดนี้ก็คือความรู้สึกภายในใจสุขหรือทุกข์ครับ อ, อต่อไปเป็น คำถามจากโยมที่นี่นะครับซึ่งเพิ่งจะถูกปลดจากตำแหน่งนะครับขอพระอาจารย์เยตาสอนวิธีวางใจไม่ให้ยึด <c oughs> ติดกับตำแหน่งนะครับ <c oughs> ก็ต้องพิจารณาตายรักพิจารณาว่าลาบยศรรรสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้เป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นก็ได้ที่เรียกว่าเจริญจเจริญราบจเจริญยศเจริญสรรเสริญเจริญสุขหรือเปลี่ยนไปไปในทางที่ไม่ดีก็ได้เช่นเสื่อมราบเสื่อมยศนินทาทุกเนี่อันนี้เป็นโล ก, กธรรมเป็นเรื่องธรรมดาของโลกนี้ไม่ว่าใครก็ตามที่มาเกิดในโลกนี้แล้วจะต้องเป็นจะจะต้องรับสัมผัสรับรู้ที่จะสัมผัสรับรู้แบบ มีความทุกข์หรือไม่มีความทุกข์ก็อยู่ที่ว่ามีปัญญาหรือไม่มีปัญญา <c oughs> ถ้าเห็นว่าเป็นของธรรมดาเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีเจริญมีเสื่อมก็จะไม่ยึดไม่ติดกับสิ่งต่างๆในโลกนี้ถ้าไม่ยึดไม่ติดเวลาสิ่งต่างๆเกิดการเสื่อมไปก็จะไม่ทุกข์แต่ถ้ามีการยึดติดมีความอยากให้อยู่กับตนไปนา น, าน อยากให้สิ่งที่เป็นอนิจจังนี้เป็นนิจจังอันนี้เวลาเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการเสื่อมไปก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาดังนั้นเวลาที่เกิดความทุกข์ที่เกิดจากความเสื่อมก็ขอให้เรามาพิจารณาว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาอย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างอื่นอย่าไปอยากให้มันเป็นเหมือนเดิมเช่นตอนเหมือนกับตอนที่เรามีตําแหน่งตอนนี้เราถูกปลดออกจากตําแหน่งแล้ว เราก็ต้องยอมรับความจริงว่านี่คือสัจธรรมนี่คืออนิจจังถ้าเราฉลาดเราเตรียมตัวไว้ก่อนสอนใจไว้ก่อนเวลาเกิดการเสื่อมเราจะไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเราไม่สอนใจไม่เตือนตนยังหลงคิดว่าจะมีตําแหน่งนี้อยู่กับตนไปจนวันตายพอเกิดการสูญเสียตําแหน่งไป ก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าถ้าเกิดความทุกข์ใจแล้วก็ยังไม่สายไปถ้าน้อมเอาคําสอนของพระพุทธเจ้าพิจารณาให้เห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ก็ยังจะสามารถดับความทุกข์ใจได้แต่อย่าไปอยากให้สิ่งที่เสือยไปนั้นกลับมาเพราะจะทําให้เกิดความทุกข์ใจเพิ่มมากขึ้น <c oughs> เราไปทําไม่ได้เราไปสั่งให้สิ่งที่ ไปจากเรานี้กลับมาหาเราไม่ได้เขาจะกลับมาหรือไม่กลับมานี้มันไม่ได้อยู่ในวิสัยของเราเขาอาจจะกลับมาใหม่ก็ได้หรืออาจจะไม่กลับมาก็ได้แต่ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องไม่อยากไปให้เขากลับมาหรือไม่กลับมาเราจะอยู่กับความเป็นจริงคือเขาอยู่กับเราเราก็อยู่กับเขาไปเวลาเขาจากเราไปก็ไม่ มีความอยากให้เขากลับมาเขาไปก็ให้เขาไปเขามาก็ให้เขามาถ้าอย่างนี้แล้วเราจะไม่มีความทุกข์ใจเพราะเราเข้าใจหลักของอนิจจังทุกขังอนัตตาว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงมีมามีไปเป็นอนัตตาก็คือเราไม่สามารถที่จะไปสั่งเขาได้ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็อย่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เท่านั้นเอง ค ำ, คำถามประจำสัปดาห์นี้หมดแล้วครับแต่ว่ามาีมีผู้มาเขียนไว้ใน Facebook ที่น่าสนใจอยู่เรื่องหนึ่งครับจากคุณแก้วฮอฟฟี่นะครับได้เขียนไว้ว่าสาธุสาธุสาธุครอบครัวเราชอบฟังทำหลวงพ่อจนเลิกเล่นการพนันได้จ้ะสาธุเจ้าค่ะหลวงพ่อนานกว่าสามเดือนแล้ว ก็ขอให้เลือกไปตลอดนะบางทีการจะไปอาจจะเป็นมาสตินต้นก็ได้พอเวลาผ่านไปผ่านไปเดี๋ยวแผ่วลงแผ่วลงเดี๋ยวก็ย้อนกลับไปเล่นการพนันใหม่ถ้าละอะไรได้แล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าต้องเพียรพยายามไม่ให้หวนกลับเคยขึ้นมาอีก ส่วนสิ่งใดที่เรายัางละไม่ได้ก็ให้เพียรพยายามละให้ได้ส่วนความดีที่เราได้ทําไว้แล้วก็พยายามรักษาไว้อย่าให้หดหายไปเช่นถ้าเราทําบุญเป็นประจําเราก็ทําต่อไปรักษาศีลภาวนาเราก็ทําต่อไปถ้าเรายังไม่ได้รักษาศีลยังไม่ได้ภาวนาก็ให้เพียรพยายามสร้างความดีที่เรายังไม่ได้มีให้เกิดขึ้น นี่คือความเพียรในสี่สถานใน4ลักษณะคือ 1. เพียรรักษาอ่ารักษาความดีที่เรามีให้อยู่กับเราต่อไปอย่าให้หดหายไป 2. เพียรสร้างความดีที่เรายังไม่มีให้เกิดขึ้นมา 3. เพียรละสิ่งที่ไม่ดีละบาปที่ยังมีอยู่ในตัวเราให้หมดไป 4. เพียร รักษาป้องกันไม่ให้บาปที่เราละได้แล้วนั้นหวนกลับเืนขึ้นมาอีกนี่คือความเพียรที่พุทธศาสนิาชนควรพยายามเพียรกันอยู่เรื่อยๆจนกว่าเราจะหลุดพ้นจากห่วงของบาปกรรมทั้งหลายแล้วเราก็จะไม่ต้องเพียรอีกต่อไปเหมือนกับการเดินขึ้นบันไดพยายามเดินขึ้นไปเรื่อยๆอย่าหยุดอย่าย่อน ขึ้นไปถึงชั้นที่เราต้องการจะไปพอเราถึงชั้นนั้นแล้วเราก็สบายไม่ต้องทำลายอีกต่อไปนั่งอยู่เฉยๆไม่ต้องเพียรแล้วพระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์ทั้งหลายนี้ท่านไม่ต้องเพียรละกิเลสแล้วเพราะไม่มีกิเลสจะละแล้วท่านไม่ต้องเพียรสร้างความดีที่ยังไม่มีเพราะท่านมีหมดแล้วท่านไม่ต้องเพียรละบาปเพราะท่านละได้หมดแล้ว แล้วก็ไม่มีบาปที่จะหวนกับคืนมาอีกแล้วผู้ใดปฏิบัติกิจในของศาสนานี้จะมีวันหนึ่งที่ว่าจะเสร็จภารกิจจะไม่ต้องทำภารกิจเหล่านี้อีกต่อไปฉั้นก็ขอให้เรามีความแน่วแน่มั่นคงต่อการปฏิบัติตามพระธรรมคาสอนแล้วเราจะ ได้สิ่งที่เลิศสิ่งที่วิเศษที่ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะวิเศษเท่าเกว่าสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอให้เจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปทุกคนทุกคนเท่าน ครับยังมีคำถามตกดท้ายคำถามนลครับเมื่อวานพระอาจารย์อธิบายเรื่องพระนิพพานไว้นะครับอารมณ์ของพระนิพพานเนี่ยคือนิ่งสงบว่างแต่มีสติปัญญากากับอยู่ตลอดเวลาไม่เหมือนอารมณ์ว่างอย่างเดียวของในชั้นพรมใช่ไหมครับคือวามจริงพระนิพพานเนี่ยไม่มีแม้แต่ไม่ต้องมีสติมีปัญญามาคอยคุมแล้วเพราะว่าเป็น เป็นจิต ท, ที่ไม่มีไม่มีพิษไม่มีภัยเหมือนกับเราอยู่เน่ที่ปลอดภัยเราไม่ต้องมียามีมอารักขามาคุ้มครองการที่มีสติมีปัญญานี้แสดงว่าเรายังอยู่ในขั้นของการปฏิบัติอยู่แต่ถ้าจิตพอไปถึงขั้นหลุดพน้นถึงขั้นนี้ผ่านแล้วทมทั้งหมดที่เราได้สร้างกันขึ้นมาเช่นสติสมาธิปัญญานี้ไม่จาเป็นต่อจิตของพระพระ ที่ไปถึงพระนิพพานแล้วเพราะพระนิพพานานี้เป็นที่ปลอดภัยไม่ต้องมีอารักขาไม่ต้องมีธรรมต่างๆมาคอยอารักขาอีกต่อไปอันนี้เป็นสันติโกผู้พูดไปที่บายไปก็เหมือนบอกคนตาบอดว่าสีแดงสีเขียวไป ย, ย, ยังงั้นก็ไม่อยากจะเสียเวลาภาวนาไปเถอดแล้วจะเห็นลืมตาขึ้นมาแล้วจะเห็นสีแดงสีเขียวเอง เอาแล้วนะขอะะให้ เ, เ, เ, เ, เดินทางโดยสวัสดิภาพจนออันนี้ถ้ากินที่วัดมีเยอากใช่ครับอยู่ทอดด้วยปะ ก็ทอจนฟังคำเสร็จนะฮะังเสร็จแต่ยังไม่ได้ถวายอะไรเสจก็ทำสิบโมงสิบโมง้นทเสร็จท้นเทศฟังทำเสร็จแต่กระถิ่นเป็นภาษาไทยอะค่ะก็เข้าใจไม่ใสั้นมากสิบนาทีก็เสร็จไม่กัไม่ได้สุดเลยพี่อก็กล่าวเป็นภาษาไทยเป็นโขลกขึ้นมาแหละฮะว่าท่านใด